อันคำว่าจิตคดด้วยจิตตรงนี้ก็โดยที่มีธรรมะคือคุณที่เกือก้อล สิ่งที่ถูกต้องก็โดยเป็นคุณที่เกืือกูลูนนั่นแหละเป็นหลักเมื่อจิตดำเนินไปตรงสู่ธรรมะคือความถูกต้องก็ย่อมเป็นจิตที่ตรง แต่ถ้าจิตดำเนินไปสู่อธรรมคือสิ่งที่เป็นอธรรมไม่ถูกต้องก็เป็นจิตที่คดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทรงปัญญา รู้ว่าอะไรเป็นธรรมคือถูกต้องอะไรเป็นอาธรรมคือไม่ถูกต้องบุคคลทั่วไปซึ่งได้มีมารดาบิดาเป็นบุรพาาจารย์คืออาจารย์คนแรกสั่งสอน ให้เว้นจากความชั่วประพฤติความดีความงามก็ย่อมจะเริ่มรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วมาตั้งแต่บรรดาบิดาสั่งสอนและเมื่อมาถึงครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็สั่งสอนอีกเมื่อมาพบพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาเล่าเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ย่อมจะรู้จักดีรู้จักชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอันความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ทุกคนจึงมีอยู่น้อยหรือมากอยู่ด้วยกันแต่ว่าจิตที่ลู้อำนาจต่ออารมณ์ลูกอำนาจต่อกิเลสย่อมไม่ คำนึงถึงสิ่งดีสิ่งชั่วที่มันดาบิดาครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่ากำลังของอารมณ์กำลังของกิเลสแรงกว่า จึงดึงไปในทางที่ชั่วที่ผิดต่างๆแบบภาษิตไทยที่ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเป็นไปอยู่ดังนี้โดยมากเพราะฉะนั้น ความรู้จักดีชั่วจึงไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกหัดทำสติให้มั่นคง ไม่ได้ฝึกปัญญาให้มีกำลังเรียกว่าเป็นภูประมาทปัญญาหรือภูเผลอปัญญาขาดความเพ่งผิดนิพพิจารณาให้ ความจริงปรากฏแก่จิตใจและให้จิตใจนี้รับรู้ให้จิตใจนี้เชื่อฟังอันความขาดพินิจพิจารณา จะเรียกว่าประมาทปัญญาเผลอปัญญาด้วยเหตุที่ปัญญามีอยู่ก็ไม่ใช่เพ่งพินิษ์พิจารณาดวนที่จะเชื่อดวนที่จะถือ ตามคาสั่งของกิเลสอันมีเครื่องชักจูงต่างๆให้เกิดความเห็นผิดถือเอาผิดอันเป็นตัวโมหะคือความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด บุคคลเป็นอันมากย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้และเมื่อมีภูมาตักเตือนอบรมก็แก่บอกว่าห้ามจิตไม่ได้ หรือว่าแก้ตัวไปโดยทางอื่นเป็นการที่แสดงตนยอมพ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเองอันความพ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเอง ในลักษณะนี้ย่อมเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นยังได้มีคำกล่าวที่เป็นสุภาษิตว่าผู้ที่ปฏิบัติตามใจของตัวเองนั้น เป็นภูปฏิบัติก่อให้เกิดทุกข์คราวนี้จึงต้องทำความเข้าใจว่าทำไมปฏิบัติตามใจของตัวเองจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าที่เรียกว่าตามใจของตัวเองนั้น ก็คือตามใจกิเลสตามใจตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตามใจราคะหรือโลภะตามใจโทสะตามใจโมหะเพราะว่าจิตใจนี้ ถูกตันหาถูกราคะหรือโลภโทสะโมหะครอบงำเพราะฉะนั้นตามใจตัวเองก็คือตามใจกิเลสดังกล่าวนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่มีโทษมีทุกข์ และใจที่ถูกกิเลสครอบงำดังนี้ย่อมเป็นเหมือนว่ากิเลสกับใจเป็นอันเดียวกันคือใจเป็นตัวกิเลสกิเลสเป็นตัวใจ ท้งนี้ก็เพราะว่าอิเลสเข้ามาผสมเหมือนอย่างเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันกับใจเมื่อใจชอบขึ้นมาแล้วก็จะต้องเห็นว่าสิ่งที่ชอบนั้น เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจจึงได้บังเกิดความติดใจยินดีในสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ชอบ ก็ทำมาเห็นว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวไปต่างๆจิตใจย่อมลำเอียงไปตามอำนาจของกิเลสดังนี้สติปัญญาที่เคยมีอยู่ก็หลบซ่อนไปหมด ทั้งทำให้เข้าใจว่าตัวกิเลสนั้นเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาไปด้วยทีเดียวฉะนั้นอาการที่ใจชอบหรือฉังนั้นจึงต้องเป็นของที่ถูกไม่จะเป็นของที่ผิดเห็นไปอย่างนั้น เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ยอมที่จะไป น, นิพพิจารณาไม่ยอมที่จะแยกใจของตัวเองออกมาเป็นกลางแล้วก็สอบสวนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนทั้งฝ่ายที่คัดค้าน เพราะว่าได้บังเกิดความเชื่อดิ่งลงไปเสียแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดจึงทำให้การปฏิบัติทุกอย่างผิดทั้งที่ตนเองเข้าใจว่าถูกว่าชอบ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าแพ้อารมณ์แพ้กิเลตแพ้อย่างรับขับไม่มีอะไรที่จะต่อต้านแต่อันที่จริงนั้นทุกคนมีผู้ช่วยสำหรับที่จะรักษาตนอยู่พร้อมแล้ว เป็นต้นวัสติปัญญาดังที่กล่าวนั้นสติปัญญานั้นบางทีก็เป็นสติปัญญาคือเป็นตัวปัญญาที่เราเรียนศึกษามาเป็นอย่างดีได้รับอบรมมาเป็นอย่างดี บางทีก็เป็นสติปัญญาที่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอบรมแต่ว่าก็ไม่คำนึงถึงและไม่ยอมที่จะรับฟังมาสำหรับที่จะพินิษพิจารณา เมื่อเป็นดังนี้บรรดาผู้ช่วยทั้งหลายที่เป็นภายในดังกล่าวมานี้ก็ไม่สามารถจะช่วยได้เพราะว่าจิตนี้ไม่รับไม่ฟังไม่คำนึงถึง ไม่ต้องกล่าวถึงผู้ช่วยภายนอกคือบรรดาภูทิวังดีทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะพูดจาแนะนำอบรมได้ดังนี้แหละเป็นความเห็นที่ดิ่งผิดลงไปอันทำให้ถือผิดปฏิบัติผิด น้อยหรือมากจนถึงมากที่สุดดิ่งลงไปสู่หายณะคือความเสื่อมต่างๆโดยที่กล่าวได้ว่าตนเองนี่แหละเป็นทู้นำตัวเองลงไปไม่ใช่ใครอื่น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตื่นไว้ว่าจิตดิ่นนนกวัดแกงตะสับกระสายรักษายากห้ามยากเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจของบุคคลว่าจิตมีลักษณะเป็นดังนี้ และก็เป็นสิ่งที่รักษายากห้ามยากในเมื่อขาดสติปัญญาหรือว่ามีสติปัญญาอยู่ก็ไม่นำมาใช้พินิษพิจารณายอมแพ้กิเลสแพ้อารมณ์อย่างราบคับ เข้าใจว่าดีแล้วถูกแล้วชอบแล้วมักจะเป็นกันไปอยู่ดังนี้หากมาสะกิดใจถึงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและฟังที่เจ้าทรงสั่งสอนต่อไป ว่าผู้ทรงปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงเหมือนอย่างช่างสอนหนัดลูกสอนสะกิจใจตนเองว่าที่ว่ารักษายากห้ามยากนั้นไม่ได้หมายความว่ารักษามิได้ห้า ม, มิมได้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 จิตประกอบด้วยตัณหาจิตประกอบด้วยราคะหรือโลภะจิตประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยโมหะเป็นจิตที่ดิ้นนนทวกัดแกล้งกระสับกระส่ายไปตามกิเลสก็โยก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 กิเลสที่ถูกจิตเพ่งดูด้วยปัญญากับสติดังนี้กิเลสย่อมจะอ่อนกำลังลงเพราะเพราะว่ากิเลสนี้ไม่ชอบให้ดูไม่ชอบให้รู้ไม่ชอบให้เห็นชอบแต่ที่จะแฝงตัวอยู่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 ให้สงบจากอารมณ์กิเลสที่จะชักนำให้ขดเคี้ยวเลี้ยวลดแต่ให้กลับมาสู่ทางตรงได้และมาจับปฏิบัติทรรมสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องดัดจิตให้ตรง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 ต่อจากนี้ก็จะได้ปราโมทคือความบันเทิงเมื่อได้ปราโมทคือความบันเทิงลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงจิตนี้กลับจาก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอุกเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ก็ตั้งขึ้นในภายในจิต ก, ก็สงบอยู่ในภายในอันนับว่า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 ให้ใจเข้าให้ใจออกปรากฏชัดว่ายาวหรือสั้นตามที่เป็นไปจริงเหมือนยังมองเห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนรวมเข้ามาได้ดังนี้ก็จะได้ชันทะความพอใจ ได้ประโมทคือความบันเทิงอันทำให้ลมหายใจเข้าออกละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงจิตกลับจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในภายในก็ตั้งขึ้นสงบอยู่ในภายใน